เรตามศิลาไปเธอมันหยุดอยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านยืนมองเมืองอย่างอยู่ถ้าทางเหมือรอยอยังไงก็ไม่รู้เสียงสะอื้นให้ดั ง, ดงพอได้ยินเป็นระยะระยะศิลาล้อให้ทำไมวเน่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จะจะเข้าไปถามเธอจะคิดไปคิดมาตัดสินใจว่าไม่เข้าไปดีกว่าแอบมองดูเธอห่างอย่างเงี้ดีแล้ว ศิลาไม่ว่าอะไจะเกิดขึ้นกับเธอเธอเสียใจพี่ยิ่งเสียใจมากกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าฉลักพี่อยากจะช่วยเธอแต่จะช่วยได้ยังไงน่นเนี่ย ตอบใจเธอทนเห็นเธ อ, อยืนร้องไห้อย่างนี้ไม่ไหวแล้วฮมันจะต้องเป็นเรื่องร้ายแรงแน่เลยเพราะเราไม่เคยเห็นเธอร้องไห้ขนาด น, นี้มากอ่อน ที่ทำให้ต <hazard> <sho ck> กใจขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ตกใจไม่เป็นไรหรอกพี่เออพี่ตามฉันมาทำไมอ่ะก็พี่เป็นห่วงสีลาน่ะจะไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยสีลาไม่ไว้ใจพี่เหรอไว้ใจเรื่องอะไรอ่ะก็ตอนสีลาเสียใจมีเรื่องอะไรอยู่ทำไมไม่บอกพี่ล่ะก็บอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วร้องไห้ทำไม เปล่าร้องไห้สักหน่อยเนี่ยศีราไม่ไว้ใจพี่จริงๆอ่ะพี่สุเฉันฉันสีราไม่เอาหน้าอยู่ร้องไห้เลยนะ ร้องไห้ทำไมอ่ะพี่เห็นสีหาเสียใจพี่โก็เสียใจไม่ได้อะยิ่งเธอร้องไห้แล้วจะให้พี่หัวเราะเหรอเล้อวพี่รู้เหรอว่าฉันร้องไห้ทำไมอ่ะไม่รู้หรอกก็เธอไม่บอกแล้วพี่จะรู้ได้ยังไงอะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกเมื่อเธอไม่ยอมบอกก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ฉันไม่ไว้ใจพี่หรอกนะพี่เข้าใจ <c oughs> บางเรื่องก็อยากเป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนกันไม่อยากบอกให้ใครรู้พี่เข้าใจเธอดี ไม่ต้องคิดมากหรอกคิดซะว่าพี่นะเป็นพี่ชายเป็นเป็นอะไรก็ได้ที่เธอรู้สึกว่าเป็นเวลาอยู่ใกล้พี่แล้วอบอุ่นแค่นั้นพี่ก็ดีใจแล้วพ่อให้พี่สุเวร้องให้พอใจไปสิลาถ้าน้าตา ม, มันสามารถทำให้เธอคลทุกได้ร้องเถอะนะเขา เธอเธอหมายถึงคุณเทพเหรอใช่คุณเทพทำไมเหรอเข้าไปแล้วอะไรนะเรื่องจริงเหรอสีลาคุณเทพไปแล้วจริงๆเหรอเนี่ยจ่าเขาจากไปโดยไม่บอกลาฉันสักคำหนึ่ง เขาคงจะเกลียดฉันมากนะพี่สูเมฉันแกล้งเขาอยู่เรื่อยๆฉันบานไสเขา <c oughs> ชวนทะเลาะอยู่เรื่อยเขาก็เลยเกลียดฉันขนาดจะไปอ่ะอยังไม่ยอมบอกกันเลยฉันเป็นเลวมากนักหรือยงไงอ่าพี่สุเวไม่อะเธอไม่เลวเลยเธอวิเศษมากเชละจะเป็นคนดีดีต่อทุกคนเลย เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายใครได้อยู่ใกล้เธอต้องมีความสุขมากเชีวยวละ่ะและทำไมเขาถึงไม่มีความสุขเลยจ๊ะไม่จริงหรอกคุณเทพนะเขามีความสุขมากเช่นนะเป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆสิลาพี่มองตาเขาก็รู้ถ้าเขาอยู่ที่นี่มีความสุขแล้วเขาไปจากที่นี่ทําไมโดยแม่เสเรียงแห่งนี้เขาไม่เคยประทับใจเลย เขาอยู่บ้านเราที่ความขยากขะหย่างตั้งหากลยะพี่สุเอ๋เดี๋ยวคิดอย่างนั้นสิเข้าไปเพราะเขามีความจำเป็นต่างหากพี่สุเอ ร, รู้ได้ยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นเขจะไปทําไมอะ่ะเพราะเขารังเกยียจที่นี่ยังไงล่ะไม่เอาน่าศิลาคิดในแง่ดีสิลืมที่พระเจ้าสอนเราแล้วเหรอคือว่าฉันเราต้องมองโลกในแง่ดีเอาไว้ซึ่งเธอก็ทําได้ดีตลอดมานี่นาจงเชื่อฟังพระเจ้า รับรองเธอจะได้รับแต่สิ่งดีๆเชื่อพี่สิสิลาพี่ว่าเขาจะกลับมาที่นี่อีกไห ม, มพี่ยังก็ตอบไม่ได้นะยังไม่รู้เลยว่าเขาไปอำเภอทาไมบางทีเขาอาจจะไปธุระอะไรนิดหน่อยแล้วกลับมาที่นี่อีกก็ได้เดี๋ยวเรากลับไปถามพ่อเท่าดูไม่ดีกว่าเหรอพ่อบอกว่าเขาไปแล้วสิลาอาจฟังไม่ถนัดก็เลยจับเอาไปกระเดียดนะ่าแต่ว่าฉันนะกลับไปถามพ่อเท่าดีกว่า ไปสิก็ได้ไปก็ได้จ้ะเดินไหวไหมฮะเอ่อไม่ไหวพี่จะช่วยฉันยังไงละ่ะก็ขี่คอไงถูกพี่สุเวะอะฉันตัวใหญ่ขนาดเนี้ยจะรับไหวเหรอไหวสิสำหรับศิลาแล้วนะไหวแน่นอนเลยจ้ะเอาไหมขี่คอไหม <c oughs> มีเอาเดี๋ยวก็ตกลงมาคอหกักตายเปล่าๆ <c oughs> ฉัน<ป>เดินไปเองได้งั้นเดินเลยใช่ปะ ตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment คุยกับตัวเองทำไมต้องกลัวเจอที่รใจมันเต้นรัวทั้งที่บอกกับตัวเอง 下雨哈 คนมากมายอยู่ในความทุกข์ใจทั้งทั้งที่ใจของเขารกรักอาจเป็นความสวยงามที่หอกเพีงมีฝัน คือของฝวันจะฟ้าหรือคือคำสาคือหยาดฝนช่ำเย็นหรือร้อนเป็นไฟอยากจะรู้ว่าคือ เช่นไรเยังคงไม่รู้ไม่เคยทุกใจนั่นคือความรักใช่ไหมที่ส้าสูงทุกอย่างคือความรักใช่ไหมที่ลบเลือนทุกสิ่งและทำให้ใจต้องราวรา คนหลายหทุกทุกอย่างไม่ลืม หรือคือคำสาคือหาฝนช่ำเย็นรูร้อนเป็นไฟอยากจะรู้ว่าคืออะไรนั่นคือความรักที่ไหมที่วดรอยอยิ้นได้คือความรักที่ไหม เธอจริงเป็นเช่นไ ร, ร่องคมไม่รู้มิเคยกูใจนั่นคือความรักใช่ไหมที่สันสร้างทุกอย่างคือความรักใช่ไหมที่ลบเลือนทุกสิ่งและทำให้ใจ ตรงร่าวเราฉันำลายหมดทุกทุกอย่างไม่เหลือเลยนำลายหมดทุกทุกอย่าง คอนวิทยุ you, แม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment นี่ทำอะไรอะฮะอย่ามายุ่งกับฉันเอ็งจะไปไหนก็ไปไปอ้อาวแม้พูดอย่างนี้อะข้าพอใจจะพูดเอ็งมีปัญหาหรือไงข้าถามด้วยความหวังดีแท้ๆนะเออขอบใจที่หวังดีข้าอารมณ์เสียไปหน่อยขอโทษแล้วกันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจเหรอไม่มีอะไรไม่ยอมพูดเพราะไม่ไว้ใจข้าใช่ไหมล่ะเปล่างั้นก็พูดมาสิ จะอยากรู้ไปทำไมอ่ะอ้าวก็บอกแล้วว่าเป็นห่วงข้าน้อยใจที่คนบางคนน่ะมองไม่เห็นความดีของข้าเองคงจะหมายถึงไอ้ซูเวยข้าพูดถูกต้องไหมละ่ะก็คือข้ า, าถามเองจริงๆนะบูกเกถามอะไรอ่ะเองรักไอ้ซูเวมากหรือไงฉันเน่ยนะพร้อมที่จะตายแทนพี่เขาได้และเองคิดว่าข้าน่ะรักพี่เขามากหรือเปล่าละ่ะ ขอเพียงเขายอมรับความในใจข้านิดเดียวข้าก็พอใจแล้วบูเกะนี่เองแต่ว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกทำไมอ่ะเพราะหัวใจของพี่ซูเวมีแต่สีลาคนเดียวเท่านั้นว่าไงนะเอ็งพูดจริงเหรอก็จริงนะสิเอ็งไม่รู้เรื่องเลยหรือไงข้าเคยบอกเอ็งแล้วนี่นานี่แม่เอ็งรักสีลาทำไมไม่ทำอะไรสักอย่างละ่ะแล้วเอ็งจะให้ข้าทายังไงอ่ะฮะ ก็ฉุดสีลาไปข่มขืนนะสิปูเกนี่นี่เอง็งพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าฮะรู้ตัวสิทำไมจะไม่รู้ฆ่าน้ามันไส้ศีลามันจะตายชักอยากจะฆ่ามันให้ตายคามือด้วยซ้ำไปขำอะไรไม่ทราบยังเอ็งเหรอจะกล้าฆ่าคนฆ่าหมูฆ่าวัว ให้ได้ซะ ก, ก่อนเธอะถึงข้าจะไม่กล้าฆ่าใครแต่ข้าก็เกลียดมันมากเกลียดจริงเหรอจริงสิแต่ข้าว่าเอ็งโกหกมากกว่านะเอ็งกับศรีลาน่ะเป็นเพื่อนสนิท ก, กันจะตายไปจะมาเกลียดเพราะแย่งผู้ชายเนี่ยเหรอมูซอเอ็งพูดอะไ ร, รอะฮะจริงไหมล่ะไม่จริงไม่จริงแล้วเอ็งเกลียดเพื่อตัวเองทําไมที่เกลียดไม่ใช่เพราะแย่งผู้ชายหรอกนะหรือเอ็งจะเถียงว่าไม่จริง เองแอบรักไอ้ซูเวในขณะที่ไอ้ซูเวกลับแอบรักศีลาแต่สีลาไม่ได้รักไอ้ซูเวแน่นอนข้ามองท่าทีของศีลาออกนะเพราะฉะนั้นเองจะไปจงเกลียดจงชังเพื่อนเองนะ่ะไม่ได้นะบุเกแต่ว่าสีลามันสวยกว่าข้านี่นะอ้าวสวยกว่าแล้วไงสีลาไม่ได้ทําตัวแย่นี่นะเรื่องความสวยเองนะ่ะต้องยอมรับความจริงให้ได้ เองน่ะอ้วนเพราะกินเก่งในเมื่อเองมีความสุขกับการกินเองก็ต้องยอมรับสภาพตัวเองให้ได้เหมือนกันบูเกะไม่ต้องพูดแล้วไปด้วยกันไหมจะให้ไปไหนไปไหนก็ได้ที่เองอยากไปก็แล้วที่ไหนถ้างั้นไปกับข้าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเองรับรองที่ที่ข้าจะพาเองไปเนี่ยเองจะต้องประทับใจสุดๆเชละนี่เองคิดจะเจ้าเล่ห์กับข้าใช่ไหมล่ะเองจะบ้าหรือไงฮะ ก็จริงหรือเปล่าล่ะไม่จริงหรอกข้าไม่เคยคิดจะทาอะไรเองไม่อยากจะเชื่อก็ตามใจเองก็แล้วกันอุตส่าห์ชวนด้วยความหวังดีแทๆ้ๆม่ต้องเลยเองน่ะชอบสีลาใช่ไหมล่ะอืมงั้นเองอ่ะรีบตามไปขัดขวางพวกเขาเร็วใครอ่ะก็พี่สูเวกับสีลาไงล่ะเฮ้ยพวกเขาอ่ะอยู่ด้วยกันเหรอเนี่ยก็ใช่นะสิรีไปสิจใจข้าไปไหนอ่ะ ข้ายังไม่รู้เลยว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนทางด้านโนนข้าเห็นสีลาวิ่งไปทางโนนพี่สูเวเขาก็เลยวิ่งตามไปด้วยนะ่ะแล้วเองอ่ะข้าทําไมเองจะไม่ตามไปเอาไอ้สูเวคืนมาหรือไงไม่จําเป็นนะ่ะแน่ใจนะแน่ใจสิเองนะ่ะรีบไปเถอะเดี๋ยวพวกเขามีอะไรกันเองก็จะพลาดได้แต่งงานกับสีลานะั่จะบอกให้ไปก็ได้รีบจัดการทําอะไรสักอย่างก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปละ่ะเข้าใจหรือเปล่าข้ารู้แล้วนะ่ะไปละอ <c oughs> ย <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี้โปรดเขียนไปสนิยบัดหรือจดหมายแสดงความคิดเห็นของคุณมาถึงเรา